أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في ا ل ح م ي م ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تسلكون ثم قيل لهم أينما كنتم تسلكون أنك ندعوا من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين، كذلك يضل الله الكافرين. بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحب وبما كنتم تمرحون وبما كنتم تمرحون. ي َ خ ل و ا أ ب و ا ب ج ه ن م خ ل د ي ن ف ي ه ا ف ب ِ س م َ ا ل م ت ك ب ر ي ن ف ب س م ا ل ت ك ب ر ي ن ف َ ن ب صبر إن وعد الله حق فإن ريانك بعض الذين عدواه มา توفى أنك ف, ف ل ي ن ا يرجعون ولا ق س ن ا ر س و ل من قبلك من و ل قد أرسلنا ر س ل ا من قبلك <ت ص في ق> ص ن ع َ ل َ ي ك و َ م ِ ن ه م م َ ل َ م ن ص ع َ ل ي و َ م ِ ن ه ُ م م ل َ م ن َ ا ق ص ْ ص ع َ ل َ ي ك يا بِأَيَاتِنِ ا ل َّ ب ِ إ ذ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 اللهم ب ك أ ص ب ح ن ا و ب ك أمسينا و ب ك نحيا و ب ك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله ت ا ل ا ما ت م ن ش ر ما خ ل ق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ش ي و م في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ر ض ي د بالله رب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 وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما أن من المشركين سبحان الله وبحمده عدد خلقه و ر ض ا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ي ح ي ي يقيوم برحمة كأستغيثه أ ص ل ح ل ي شاني كله ولا تكلني إلى نفس ت ر ف ت ع ي ن حامِمَ تنزيلُ الكِتابِ مِنَ اللهِ العزيزِ العليمِ غافِرِ الذنبِ وقابِلِ ا, إ, إ <ت <ص في ق> ل ا ت, ت َّ و ب ِ شديدِ عقابِ الطَّالِبِ لا إله إلا هو إلهِ المصيرِ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องที่ร่วมนมาศุบศรีมัสยิดที่รักทั้งหลายครับแต่พี่น้องที่ติดตามรายการตัซอัลกุรอานาเฟซบุ๊กนะครับ ที่นั่งอยู่ที่บ้านของอาารอัลฮัมดุลิลละเราไม่ลืมนะครับที่จะนึกถึงอัลลอฮ์ไม่ลืมที่จะทิ่แกตถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหุวาตาลาเพาะการทิกแก้ถึงอัลลอฮ์นั้นทําให้หัวใจของเราหนั้นสงบนะครับอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่เราได้มานั่งอยู่ที่บ้านของอัลลอฮ์นั่งอยู่ที่มัสยิดของอัลลอฮ์พี่น้องแล้วก็เอา อัลกุรอานขึ้นมามาอ่านและมาอธิบายเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้เราเข้าใจอัลกุรอานเพราะว่าอัลลอฮ์สั่งใ น, นกะเพรกุรอานให้เราเนี่ยศึกษาหาความรู้จากคัมภี์อัลกุรอานเนี่ยเท่าที่มีความสามารถจะทำได้นะครับเหมือนกับบรรดาซาบาของท่านนาบีในอดีตเนี่ยเขาไม่มีหนังสือเล่อมอื่นอ่าน เขาอ่านกูรานเล่มเดียวเขารอดแต่พวกเราวันนี้หนังสือเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วก็อ่านทุกเล่มยกเว้นกุรานใช่ไมนี่ไม่ใช่ตำหนินะเตือนอ่านหนังสือทุกเล่มแต่ยกเว้นกุรานนะครับเราทำโดุลิลลนนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย เราอ่านกุรานอัลลอฮ์เตือนเรานะครับคนที่ปฏิเสธอัลกุรอานกุรานเล่มที่เราอ่านอยู่นี่แหละถ้าเราไม่เปิดถ้าเราไม่อ่านเนี่ยพี่น้องเราก็ปฏิเสธรวมไปถึงเราซูลด้วยเนี่ยอัลลอฮ์จะให้อยายะห์ที่เจ็ดสิบเอ็ดนี่ยนะอีวิลอัลกลาลัลฟีอานาตีหม ว่สระสิลิยุสฮะบุนอัลลอฮจะมามีห่วงคล้องคอของพวกเขานี่โทษจากการที่ไม่แตะกุลแานโทษของคนที่ไม่ให้ความรู้ไม่หาความรู้จากอาุลแานไม่จับอุลแานเนี่ยในวันเกียร ม, มานเนี่ยอัลลอฮจะให้ห น, นะให้ที่คอของเขานั้นมีห่วง เรื่องที่สองวัาาสซาราเซลแล้วก็มีโซ่ด้วยอลัลลอฮ์นี่หนักหมดเลยนะนี่อลัลลอฮ์เตือนในขนาด น, นี้แล้วคนยังยังไม่อ่านกุรานกเลยนะคับคัมภีลิเลเลาะห์อัลลอฮ์พวกเราอ่านกันอยู่นะคัมภีร์ลิลละห์ยุสฮาบูนแปลว่าถูกลากตัลงว่าโทษของคนที่ไม่อ่านกุรานอายะที่เจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยนะมีห่วงคล้องคอของเขาไว้ บางบางเล่มอธิบายว่าตับซีแปลว่าเอามือแล้วคอเนี่ยจับติดกันอย่างนี้นะครับมีห่วงของคอแล้วก็สองวัสสนาเส้นตว่ามีโซ่ยุสฮบุนถูกลากก ล, ลอลากไปไหนอ่ะก็ น, นึกภาพเองก็แล้วกันคนไม่จะล่าไปโรงหนังหรอกลากไปไหน <c oughs> ลากไป น, นรก <c oughs> นี่อัเล่าเล่าให้ฟังไม่เชื่อไม่มีปัญหานะครับ แต่คนที่ไม่เชื่อ น, นะเอาหลนะเ่าให้สง่างามบนโลกดุนยานะสง่างามมีบ้านอยู่หลายหลังมีเมียกี่คนก็ได้สนุกสนานนะครับเอาวันนี้มาฮิายาิเจ็ดสิบฟิลฮามิมซุมมะฟินนาริยุสจารุนฟิลฮามิม สุมาฟินนาริยุสจารุนอัลฮัมดุลิลลาห์นาอูซุบิลลาห์ฮามิมเนี่ยสับนะแปลว่าน้ำเดือดน้ำเดือดน้ำร้อนน้ำเดือดไม่จะร้อนธรรมาดานะต้องเดือดด้วยนี่คุณอาจจ่านอธิบายละเอียดยิงเลยมีห่วงคล้องคออย่างไม่พอมีโซ่ลากอีกก็ยังไม่พออยู่ไหนไหน ฟิลฮามีมอยู่ในน้าเดือดอีกนี่สามเรื่องแล้วนะหนึ่งมีห่วงอยู่นีนคอผูกกับมือกับคอติดกันยังไม่พอนะถูกลากโดยโซ่ยังไม่พอเรื่องที่สามฟิลฮามีมอยู่ในน้าเดือดนี่โทษโทษที่อัลละให้คุรานมาให้นาบีมาให้อะไรแต่อะไรเป็นทางนาสำหรับชีวิตแต่ไม่ไม่ใครใส่ คนไม่ใส่ใจเยอะมากเยอะสินะครับแล้วก็ซุ่มมาฟินนาาอยู่ในน้ําเดือดแล้วยังไม่พอซุมมาหลังจากนั้นอยู่ในอยู่ในไฟนรกแสดงว่าน้ําเดือดนะ่ะที่หนึ่งนะนรกอีกที่หนึ่งนะ่ะ <c oughs> กลายเป็นสองสองที่นะ่ะเปลี่ยนกันนะ่ะบางทีก็อยู่ในนรกบางทีก็อยู่ในน้ําเดือดเอาออกจากนรกไปไปใส่ในน้ําเดือดอีก นี่จากคุณอ่านที่เราได้ข้อคิดเยอะหนึ่งมีห่วงคล้องค อ, อยังไม่พอสองมีมีโซ่เอาไว้ลากแล้วก็ลากด้วยนะอันที่สามอยู่ในน้ำเดือดซุ่มมาฟินนารออกจากน้ำเดือดไปอยู่ในนรกต่อยุสยารูนถูกเผาไหม้ซาจารอเนี่ยแปลว่าเผาไหม้ ให้ความร้อนอย่างนี้เป็นต้นตลงว่านี่โทษหมดเลยนะกีรายการเนี่ยมีห่วงคล้องคอหนึ่งถูกลากไยโซ่สองอยู่ในน้ำเดือดสามสี่สลับกันอยู่ในน ร, น ร, นรกด้วยโอโลลอฮอักบาศ4รายการแล้วก็ยุสเดรุนถูกเผาไหม้ถูกเผาไหม้ในนรกโอโ้โหหนาวจัาแล้วก็อยู่ในน้ำเดือดอีกกลรอทำไมต้องเปลี่ยนไปเตี่ยนมาเนี่ยให้ได้ชิมอ่ะ เองอยู่บนโลกดุญญนยาในเองอร่อยทั้งชีวิตเลยแต่ไม่เคยมาสนใจกับอัลกุรอานของอัลลอะฺสุบฮานาหูอตาลาของที่อลัลลอฮให้อย่างอื่นเอาหมดแต่ของที่ อ, อัลลว่าไอตัวนี้สามารถทาคุณให้รอดได้ในอาดาบูโบรอดได้ในโลกอาคือรัเองไม่เอา่ะ เอาเฉพาะอร่อยอร่อยสนุกสนุกสนานอลร้าออ์บัดอรร้าให้ไหมให้เอาไปเลยแต่เอาได้โลกเดียวนะครับอต่อ <GO av uther> มาครับสุมมะกีลาลาหุมไอนามากุนตุมตุชริกุน7จสบสาม สุมมาขีลาละหุมไอนม้นามคุณตุ้มตุชริกุลถูกลงโทษตั้งสามสี่รายการและยังไม่พออีกมีเสียงกล่าวมาเลยก้างแล้วอ่าจะลลอนเราวันมีเสียงกล่าวกล่าวไงแล้ไหมแก่พวกเขาแล้วนั้นขีละละหุมมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาเหล่านั้นอยู่ใน ความลำบากอยู่แล้วมีเสียงกล่าวอีกไอนะ่ะวไอ่าไหนล่ะมากุนตุม่มตุษรีกูลที่พวกท่านทั้งหลายตั้งภาคีบูชาเจเวทอื่นไปจากอรรรณ์อยู่ไหนพามาโอ้โหนี่พูดใส่หน้าแรงไหนล่ะรูปเจเวท คุณไม่เอาอลองไม่เอารอสซูลใช่ไหมไม่มีปัญหาคุณกาบเจเวตบนโลกดุนยานี่เอาเจเวตของคุณที่กาบนี่พามาสิอยู่ที่ไหนล่ะเอามาให้เห็นหน่อยโอ้โหนี่หนักหน้าแล้วเสียงมันเลยก้าไม่จะพูดคอ่อยๆคุณจะตะค อ, อ, อกแ้ น, นะโอ้โหวุณจะตดาดแรงแบบพุมถูกดาวมวลสูงตอนช้าวนันนั้นน่หละหังๆคลายๆกันนี่แหละเสียงแบบนั้นนั่นแหละ สุมมาตีแล้วเราหุมแล้วก็มีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าไอนามากุนตุมตุสริกุลไหนเล่าบรรดาเจาเวิตที่พวกเจ้าได้ตั้งพาคีอัลลอฮฺไปพามะอ้าพามะพามะาอย่างนี้อย่นี้เป็นตน้นนี่อัลลอฮ์ เ, เล่าให้ฟังนะแล้วของที่อัลลอฮ์เล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงเรื่องไม่จริงจริ ง, จรงเจอแน่ครับ เจอแน่ภาพเหล่านี้เจอดูกันทุกคนทั้งเหรัาคนที่ปฏิเสธอัลกุรอานอต่อมาครับอายะที่เจบสมินดูนิลลอื่นไปจากอัลลอฮ์คำจริงมันน่าจะใส่อายะเดียวกันใช่ไหนี่มาตั้งอายะใหม่มินดูนิลละอื่นไปจากอัลลอฮ์ที่คุณไปกราบจเจวทนะครับไปกราบตกตจ ก, กีย หรือไปกราบสิ่งอื่นๆ น, น, นะครับที่อลัลลอ์ห้ามพา น, นาบีมาริยาญาอย่าไปทำนาะพวกหมอดุงหมอดูอยู่ไหนทั้งหมดก็ตามแต่อื่นจากอาลัลลอฮ์มินดูนิละอื่นจากอาลัลลอฮ์พามาสิอ่พามาพามาช่วยคุณตอนนี้คุณถูกกี่เรื่องละถูกมีห่วงที่คล้องคอถูกลากด้วยด้วยด้วยโซ่เอามาแช่น้ำเดือดล้วก็ลงนรกอีกเซรยการนะ่ะเอามาช่วยสิช่วยให้ปลอดภยัย นี่นับหน้านะครับเมนูนิ่ละอื่นจากอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه และุตากะกอลูอ่าคนที่ปฏิเสธอัลกุรอานในวันนั้นจะพูดไงรู้ไหมดอหลูอัานนามันหายหน้าไปหมดแล้ว <c oughs> คือหมายความว่าในตับสิทธาวันบางทีจาเวทมาแล้ว อัลลอฮ์ให้เจวเวตที่เขาบูชาบนโลกดุลยาเนี่ยมาวางอยู่ข้างหน้าและตัวเขาเองอ่ะช่วยไม่ได้พอช่วยมาได้ก็เลยพูดแบบไงนะดอนลูอานน่พวกมันได้หายไปจากพวกเราแล้วดอนลูแปลว่าหายไปจากพวกเราแล้วหมายความไงนะไม่สามารถที่จะช่วยเราได้เลยไปยอมรับ อืบนดุนยานี้สอนแล้วสอนอีกบอกว่าอย่าไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะอย่าไปเคารพปู่ย่าตายายนะอย่าไปเคารพโตตะเกียนะอย่าไปเคารพหมอดูนะอย่าไปเชื่อหมอดูนะแล้วก็ไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์วันนั้นเพิ่งพูดออกมาด้อนรูอันน ะ, ะมันหายไปจากพวกเราแลยไปยอมรับ แต่อยู่บนนญานี่คอแข็งหน้าโดเลยนะเอาต่อมาครับบัลลัมนาคุณนาดาวมิงกอบลุชัยออบัลลัมนาคุณนาดาวมิงกอบลุชัยออแต่ว่านี่มาสารภาพผิดต่อ Allah เพราะว่าเราไม่ได้วิงวอน แต่ก่อนนี้สิ่งใดเราไม่ได้วิงวอนเจวิตเหล่านี้เราไม่ได้วิงวอนนะ เ, ววลเลยนี่ไปสารภาพผิดหลังจากเห็นโทษแล้วถูกลากแล้วถูกแช่น้ำแล้วถูกไฟนรกแล้วไปพูดว่ามันหายไปแล้วเพิ่งจะไปยอมรับสารภาพผิดต่ออัลลอฮฺอย่างนี้อัลลอรับหรือไม่รับไม่รับฉะนั้นการที่ไปพูดว่า สิ่งเหล่านี้น่ะช่วยเราเราไม่ได้เนี่ยมันต้องบนโลกดุนยาใบนี้ไม่ใช่าภาสาผิดหลังจากฟื้นขึ้นมาจากกูโบไปยืนอยู่ที่ทุ่งมาชาตแล้วอัลลอฮ์ตัดสินลงนรกแล้วคงจะาภาษาผิดเนี่ยอัลลอฮ์ช่วยั้ยไม่ช่วยครับกลกยดิลลอุลกาฟิรินในทํานองเดียวกัน ดั่ลายอดิลยูดิลอาดั่ลายดิลอัลล u, ให้เขาหลงให้เขาเราหนอยู่แบบสเปกสปาในชีวิตพี่น้องไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเรียกว่ายูดิลลูหลงทางเราหนไปจากทางที่ถูกต้องแต่อยู่สบายไหมเวลาไม่เอาอิสลามเนี่ยอยู่สบายด่าใครก็ได้ทำจะนอนผู้หญิงกับคนไหนก็ได้ทำได้หมดนั่นแหละ แบบไซน่าอมัสก่อนรับอิสลามเนี่ยตบน้องสาวใช่ไหมทําไมอะ่ะเพราะทาอะไรไม่ถูกใจตัวเองเพอตบไปแล้วเนี่ยเลือดไหลก็สงสารน้องยังมีความรู้สึกสงสารหนา น, นนี้นะก็ไปหานับีุลไปรับอิสลามพรรับอิสลามเพรเปลี่ยนนิสัยเลยเห็นไหมท่านคนที่อยู่นอกอิสลามเนี่ยนะโหดทุกคน่ะ หรือเป็นมุสลิมที่ไม่เอาศาสนาก็โหดนี่อัลลอฮ์นั่ง Al กรพรคุณอ่านให้ฟังแล้วก็เตือนเราหลอดเวลาว่าอยู ul ่ดิลุลลอฮุลกาฟิรินอัลลอ์ทรงปล่อยให้พวกปฏิเสธนั้นระหนหรือหลงทางหลงทางแทนที่จะลำบากับอยู่สบายมากกว่าเก่าอีกด่าใครก็ได้ทะเลาะกับใครก็ได้แล้วก็ทำอะไรก็ได้ สบายนอนตื่นเที่ยงก็ได้สุบโบไม่นามาตก็ได้อิสระเนี่ยพี่ น, อน้องนี่ไงอล่อยเลยต้องลงโทษในวันกรียมักคเอากอที่จะอธิบายต่อเรื่องใบตุ่นมักดิสผู้อ่านฮะดิษพบในะหะ ด, ดิษของอิหม่ามอิบนุมาจามีคนถามท่านนบาีว่าับาตุนมักดิสเนี่ยมันมีสามแห่งใช่มหมมัสติารอม มัสยิดนบวีแล้วก็ไบทุลมักดิสามแห่งนี้นะสั่งให้มุสลิมเนี่ยนะไปเยี่ยมแล้วก็ไปนมาดด้วยแต่นบีพูดว่าถ้าใครไม่สามารถที่จะไป By ไบตุลมักดิสได้อย่างพวกเราบางคนไม่ได้ไปอย่างผมก็ไปถึงอียิปต์เขาไป น, นั่งที่สนามบินจะเข้าหองไหนก็ไม่ให้เข้าอ่ะ เพราะอะไรไม่ทราบอ่ะเรากไ็ไม่ได้ไปนบีสัง่งให้ส่งน้ํามันให้ส่งน้ํามันไปจุดที่บาตุลมักดิษให้ส่งน้ํามันไปทัดงว่าถ้าเราไม่สามารถไต่หนามาที่บาตุลมักดิษได้ให้เราส่งอะไรไปนะส่งน้ํามันภาษาอุดวดเตนเบชโดส่งน้ํามันไปเดี๋ยวนี้น้ํามันก็ส่งไม่ได้ใช่ไหมล่ะ อุลามาคนแนะนำให้ส่งเงินไ ป, ไปช่วยเหลือพี่น้องปาเลสไตน์นี่ยเห็นไหนี่นบีพูดพูดไว้เนีงพันสีร้ปีแลจริงไหมจริงครับฉะนั้นคนที่ไม่สามารถไปนามาที่มัสติดอัลอัซซอร์ได้เดีไปที่มักดิตได้นี่นะให้เราส่งน้ำมันไปน้ำมันก็ส่งไม่ได้วันนี้มันถูกห้องร้อมหมดแล้วน่ถูกกัก บ, บริเวณด้วยอะไรด้วยใช่ไหมก็ส่งสาตัง อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นส่งสตังดีที่สุดเพื่อให้เขาได้ไปอะไรพัฒนาตัวเองไปเล่นไปสูกับพวกอิสราเีลพวกยาหูดีที่นั่นน่ะนะเนี่ยจากกุราอานอายนี้จะสรุปมานะครับแล้วก็อับีก็บอกว่าใบทุนมักดิษนะ่ะมันเป็นที่ทุ่มมหัศ ด, ด้วยพวเพราะคำว่าชามนี่ประเทศมันกว้างนะจอดงโยดแดนนี่ใช่หมดเลยเป็นสถานที่กว้างที่มุสลิม ลูกคนทั้งโลกเมื่อฟื้นจากการตายแล้วเนี่ยต้องไปรวมตัวกันที่ถุงมัสัดหมดเลยจะเราถ้าเรามีส่วนใช่ไหมเคยส่งน้ํามันไปส่งน้ํามันไม่ได้ก็ส่งสตางค์ไปเรามีส่วนใช่ไหมโอกาสที่จะไปยืนมุงถุงมัสซัดแบบสง่างามด้วยแล้วก็มีศาสนามีอิมานไปด้วยนี่ห่อมอยูลล่เรื่อยลยิ่งใหญ่ครับมาถึงตัวอิมามอิบนุมาดีมาต่อมาครับ ذ ا ل ك م بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذ ل ك م بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق ว่าบีมากุณตุมตัมรหูอัลฮัมดุลิลลาอัลยานี่เปลี่ยนเรื่องคุยเปลี่ยนเรื่องเล่าให้นบีฟังเตือนพวกเราเรื่องใหม่แล้วนะที่แรกก็เรื่องการลงโทษลงโทษลงโทษใช่เปลี่ยนเรื่องใหม่เรื่องดีใจทุกคนเคยดีใจใช่ไหมเคย เคยเสียใจมีไหมมีทีนี้ดีใจกับเสียใจเนี่ยส่วนใหญ่จะดีใจมากกว่าเสียใจใช่หรือไม่ใช่ใชทีนี้ดีใจเนี่ยดีใจยังไงได้ไปสวรรค์และดีใจยังไงตกนรกอิสลามไม่ได้ห้ามเรื่องการดีใจและดีใจจะเรียกในภาษาอาหรับว่าฟารัช ห, ห, หรือบ่าต์ฟราฮูนพระบาทท่านทั้งหลายเนี่ยดีใจ ดีใจยังไงในไปสวรรค์ต้องมองสุนัขนบีเป็นแบบไม่ใช่มองคนอื่นครับถามว่านาบีเนี่ยดีใจนะ่นบีทำาไงแค่ยิ้มแค่ยิ้มแล้วก็สุญูต่อไนั่นดีใจของท่านนาบีรฉะนั้นเราก็เหมือนกันวันนี้เมื่อเราดีใจยกตัวอย่างเมื่อลูกสอบนี้ผ่านยกตัวอย่างนะ สอบที่นี่ผ่านไปติดงานที่นั่นติดงานที่นี้พ่อดีใจแม่ดีใจทำ ง, งานรือไหมสุ้ยุทก่อนบริจาคเงินเลยขอบคุณพระวจะ้าอัลลอ์ให้มากเนี่ยโอกาสดีใจได้ไปสวรรค์ง่ายครับแต่นี้อาญานี้เตือนนะครับตัฟราหูนะฟิลอาฟตีพวกเขานี่ดีใจบนแผ่นดินนต้องนึกด้วยนะทำไมอลัลลอฮ์กำกับว่าดีใจบนแผ่นดินนี้ ถ้าดีใจบนแผ่นดินนี้ถ้าไปดีใจบนดาวอาคารเชิญนี่ดีใจบนแผ่นดินนี้จะอยู่ตรงไหนของโลกอลัลลอฮ์รู้หมดเลยอ่าตัฟซาลีกุมนั่นเป็นเพราะสูเจ้าตัฟรอฮูนะรื่นเริงหรือว่าละเริงหรือล่าเริง ลาเริงลาเริงรื่นเริงดีใจตาฝรหูนฟิลอรเดในแผ่นดินนี้บีร้ยดีักกินปราศจากความอาธรรมดีใจในทางที่ผิดดีใจในทางที่ผิดเช่นอะไรบ้างไปกราบเจเวิตมาดีใจจริงๆ ไปดาคนนี้มาดีใจจริงๆไปโตตะเกียมาไปขอดุอาจากโตตะเกียให้โตตะเกียช่วยดีใจจริงๆดีใจในทางที่ผิดกอรูนเป็นกรณีตัวอย่างอัลลอให้ชีวิตกอรูณเนี่ยสบายนะนั่นเป็นการทดสอบแต่ทดสอบไม่ผ่าน พอมีเงินมีทองอยิ่งมากจนกระทั่งถืออะไรลูกกุญแจเป็นสิบสิบคนน่ยถือลูกกุญแจขายขังอย่างเดียวนี่นะโอ้โอหหางเยอะยิงจองห้องแต่งตัวเน่ยโอ้โหเด่นกว่ที่สุดในอียิมากอะมีอยู่สามคนก็รูนฮามานฟิราห์โอ้โหพองหน้าดูเลยพ้องอย่างเดียวไม่พอขวางอิสลาม ขวางนาบีมูซ่าไม่ให้ไม่ให้เผยแพ่ อ, แ อ, อิสลามอกไม่ให้เผยแผ่ความสอนจาก Allah อัลลอ์อีกเพื่น้องแล้วอัลลอ์ให้มีชีวิตอยู่ตั้งส0มสบกว่าปีนะนึกว่าจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองยิ่งรวยยิ่งตะกบุดยิ่งยวยยิ่งพยองยิ่งรวยยิ่งลืมอัลลอ์แล้วก็ขวางนาบีมูซาทุกเรื่องอัลลอ์ให้แผ่นดินสูกใช่เอ็งดีใจแบบไหนแล้วให้อัลลอ ให้พันธินสู่ก็พระเองดีใจไม่เป็นง่าถ้าเดินตามนบีมูซาสยางหนึ่งมันก็จบน่ะนี่เป็นทางนำสำหรับชีวิตนบีดนบีสุลัยมานอีกคนหนึ่งนบีสุลัยมานที่เราอ่านอูอุาาราอ่านกันมาว่าอัลลอฮ์ให้ความสามารถอย่างหนึ่งคือเข้าใจภาษาอะไรภาษานกแล้วก็รู้ภาษามด เอาะห้กันนบีมูสนบีสุลมานเข้ามเนี่ยเมื่อเข้าไปในป่าเนี่ยหัวหน้ามดเนี่ยสั่งลูกน้องมดบอกให้เข้ารูอุดคูู่มาสากีกนากุ่มมดเอย๋ยเข้ารูให้หมดเข้ารังให้หมดน บ, บีสุลัยมานมาแล้วเดินผ่านมาแล้วก็ทหารของเขาจะมาเหยียบพวกคนตายเข้ารูให้หมดน บ, บีสุลมานได้ยินนะได้ยินมดสั่งลูกน้องมด ดีใจสู้อยู่ต่อรอในป่าเลยครับนั่นกร่มาการดีใจแบบนี้ได้ไปสวรรค์ครับเพราะว่าดีใจแล้วไม่ลืมเอาลอใช่ไมใครก็ตามถ้าดีใจแล้วลืมเอาล้อเองระวังให้ดีเช่นนั้นปีใหม่ก็ดีระวังให้ดีนะแฮปปี้นิวเยียร์กันก็ดีวันนู่นวันนี้ดีใจสุดๆไปไงเมา ระวังประเภทนี้ต้องตบักตัวถอดรอนะ่ะเขาก็ดูนักกุนบอลมุสลิมที่อยู่ในยุ โ, โรปเวลาเขาดีใจเตะอะไรนะเตะบอลเข้าโก้เขางานอย่สังเกนดูเขาสู้อยนะ่ะเขาเอาวความรู้มาจากไหนอะ่ะเขาเมีอาเรียมอุลมามะดูแลเขาอยู่ขาาเขาไม่ได้ย่อยิงจองกูแน่กูไม่เอาใครกูกูคนเดียวพาพาชีวิตไม่รอดนอะ่ะฉันถ้ามี ดเรคเตอร์อาลีมอุลามะอยู่ใช่ไหมให้ทำนี้สิอัลลอฮ์พอใจทานี้สิอัลลอฮ์พอใจนี่อัลลอ์เลาเล่านัก็เเรื่องทัฟรอฮูน่ฟิลอารดบิไกรลฮักต์เองดีใจไม่เป็นดีใจบุญด้แผนดินของอัลลอ์แต่แล้วก็ดีใจเนี่ยอะไรนะพอซาจ่าความเป็นธรรมอัลลอฮฺอัลบาอัลลอฮ์ไม่พอใจสักนิดนึงดีใจแทนที่จะสูญูุต่ออัลลอฮ์แทนจะบริจาคต่ออัลลอ แทนที่จะสงสารเมตตาคุณเพิ่มขึ้นแบบอันตรมานบินเอาใช่ไหมเงินทองเยอะแยะเป็นมทธรรมดีใจไ้ยดีใจด้วยการสุอยูตต่อ Allah อัลลอฮฺสุบฮานาอูวาตาละฉะนั้นดีใจมุสลิมทำได้ไหมได้คนกาเฟรทำได้ไหมได้แต่วางตัวยังไงอย่างนี้เป็นตัวเอาต่อมาครับวบิมาคุณตุมตัมราหูนตัมราหูนกับตักระหูเนี่ย ความหมายแปลว่าดีใจเหมือนกันทั้งสองแต่ตัมราหูนเนี่ยดีใจแสดงออกทางด้านร่างกายบิลดิสมินี่หนังสือจากนัดว่ามาโลนาลมาจิดีนะพิมพ์นิตนัดว่านีนะ่อธิบายว่าตัฟราหูพวกเขาทั้งหลายดีใจด้านจิตใจ ตัมรอฮูนตานมีรอฮาวาวนนตัมรอฮูนแปลว่าดีใจด้านร่างกายแสดงออกยกม้ยดมือกระโดดตีละกงลังกาวอย่าทำถ้าจะทำสุอยู่ท่าเดียวท่าทีดีที่สุดที่เอลาละพอใจฉะนั้นตัมรอฮูนพวกเขาทั้งหลายนั้น คึกขนองก็ได้ดีใจจะแสดงตัวคึกขนองโอ้โหอาบัิกินเหล้าเต้นรำเห็นไหมที่เราเห็นอยู่ใช่ไหม่ะอย่างนี้เป็นต้นนั้นละอิสลามบอกว่ามุมิงผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทำไม่ได้นี่ถ้าไม่เรียนกูรานโอ้โหนั้นนึก ว, ว่าเราทำตามคนกาเฟ่ได้ไหมไม่ได้ เราต้องเดินตามซุนนะนบีมุฮัมมัดเท่านั้นถึงจะปลอดภัยถ้าไม่เดินตามซุนนะนบีไม่ปลอดภัยครับฉะนั้นนบีเวลาดีใจนบีแคยิ้มแล้วก็ก้มหน้าด้วยยิ้มแล้วก้มหน้าด้วยนะไม่ได้เลือบ ก, กูแน่ฉลองคอเนี่ยไม่ใช่นอบน้อมถ่อมตนนี่นบีมุฮัซลลัมมูฮัซลัมจะนันเอารูปแบบนบีมาใช้นะครับ ลาลิกุมนั่นเป็นเพราะบิมากุลตุมที่สู่เจ้าตัฟรอฮูนาฟิลอรบิระเริงรื่นเริมดีใจจนเกินไปฟิลอรบินะแผ่นดินบิลอยลิฮักติโดยโดยภาษจ้ความเป็นธรรมว่าบิมากุลตุมตัมราฮู และเพราะว่าสูเจ้าเนี่ยลำพองคึกขนองนี่ภาษานี่เพราะที่สุดแล้วลำพองกับคึกขนองด้วยความดีใจนะทำอะไรไม่เป็นสูยุดไม่เป็นอัลฮัมดุลิลละกาวไม่เป็นเ <laughs> ฉะนั้นชีวิตอัลลอฮสอน น, นภาเบียรกุรานดีใจได้ไั้มได้ดีใจยังไงให้ไปนะไปสวรรค์และดีใจยังไงจะไปนะรกเดี๋ยวก็ไปศึกษากันอเอาต่อมาครับ ขอที่อายะเจดสิบหกอุดหุลูอับบาบาจฮันนำขอลีดีนาฟีฮ์ฟาบิสัมมัสวัลมุตะกับบิรินอุดหุลูอบบบาจันนำขอลดีนาฟีฮบ คำสมามว่ามดกบับบรินอายะจ16เนี่ยอธิบายดีใจในดีใจแล้วลืมอัลลอฮ์ดีใจแล้วเต้นรำดีใจแล้วทรยศต่ออัลลอฮ์ผลสุดทา้ายไปไหนครับอุดรคูลูจมเข้าไปแสบนะครับ นี่แหละคนที่ไม่เรียนศาสน า, าไม่อ่านกัมภานแล้วก็ไม่เรียนสุนทรนะนบีเวลาดีใจทําตัวไม่ถูกเป็นไงครับอุดคูลูจงเข้าไปถ้าเข้าบ้านในนี้ปัญหาสิอบวาบาจันนำประตูหลายบานอบวาแปลว่าประตูหลายบานของอะไรครับจหนนำของนรก หนาวสุดๆแล้วไ ม, ไม่เอาไม่เอาดีใจบนบนุญยนยาเสร็จแล้วอุตคูลูเนีเยเ่ยมัเชิญเข้านามึงเข้าไปอไออาบว่าทำไมต้องมีประตูหลายบานเพราะนารกมีอยู่เจ็ดขุม ที่ชาวอาบวามาจากบ้าบุนบาบ้าอบุวาปรตูหลายบานของจาันำไม่ยุดเจ็ดคุมเห็นไหมในกุรานครวาลาฮาลาฮาซาบะอตูอบวาลิกุลลิบะบิมินฮุมจุดุลมะกุลุมสุราะอัลฮิจรอายะที่สี่สิบสี่ไปเช็คดูไปได้นะครับมันมีเจ็ดประตู สำหรับทุกๆุกบานนั้นมีส่วนถูกกำหนดไว้สำหรับคนประเภทนี้ประเภทนี้ที่ทำชั่วนะประเภทนี้ประเภทนี้คนทำชั่วในะมีอยู่หลายกลุ่มจะรวมแล้วไม่เกินเจ็ดกลุ่มเจ็ด <c oughs> กลุ่มนี้มีประตูเฉพาะอ่าเฉพาะเฉพาะคนที่หัวดีใจเวลาได้เงินได้ทองดีใจเวลาได้ลูกดีใจได้ชนะหรือดาใครก็ตามแต่ชนะแล้ว สุยุตไม่เป็นแต่เต็นร่างเต็นกาเป็นอะไรเป็นเอาเองเข้าประตูนรกประตูนี้ Allah ไม่ได้บอกเอาประตูอะไรให้เราศึกษาศึกษาหาความรู้เอาเองทัง น, นี้เป็นอุดรคูลูอบวาบาจันนขอลิดีนฟีฮ์พำนักอยู่ในนั้น แต่พู้อย่างนี้บ่อยๆนะตกนรกแน่ไม่มีทางออกทางออกยากมากเลยนอกจากเป็นมุมินแล้วก็ทําผิดแล้วก็ไม่ทันตต่าบาตัวตายก่อนมีไห ม, มเยอะครับนึกยังยังยังหนุ่มเนี่ยยุ่ยยุ่ยสี่สิบเอยังแข็งแรงอะ่ะยังทําบาปเอาไว้ยังไม่ได้ต่าบาตัวแล้วก็เกิดตายก่อนน่ะจะทำไงอะ่ะก็เจอนรก โอกาสจะออกมีไหมมีแต่ถ้าเป็นกาเฟตตั้งแต่เกิดเลยไม่ยอมศึกษาอิสลามเลยไม่ยอมมองอิสลามเป็นศาสนาที่มาทําลายโลกอย่างที่ใครอน่ยพวกกลุ่มอะไรเน่ะอย่าไปเอ่ยชื่อเลยนะกูร์านนี่ทําลายโลกทํามุสลิมทําลายโลกมะหมัดทําลายโลกโอ้โหฟกระบาอย่างเงี้ยเองเจอแน่ครับ ฟบิสมาสวามุตกำ บ, บิรินมาสวาแปลว่าที่พักอัมุตกำ บ, บรินผู้ยิงขยองเป็นที่พักบิซาเลวสามเลวสุดๆชั่วที่สุดเลวสุดๆเป็นที่พักที่เลว สามแท้ๆอัลมุตะกามบรินผู้ที่ยิงพยองมคนไม่เอาอิสลามเนี่ยเอาลลอ ด, ดารชมผู้ยิงพยองาไมผูต้ตะกบรดอย่างนี้เป็นต้นเลยนะครับโอ้นะอูบิลาลา์มิญาลกอัตอมะกาบอายาติเจ็ดสฟาสบิรอินนาวะอัลลอฮฺฮะกฺฟออิมมานูริยัน أ َ ت بعض الذين ع د ُ ه م أو ت َ و ف ّ ي أنك فإلينا ي ر ج َ ع ر ج و ن فصبر إن وعد الله حق فإما نري َ ن ك بعض الذين ع د ُ ه م أو ت َ و ف ّ ي أن นักไฟล์นายุรจาอุน alhamdulillah อายาดีปลอบใจปลอบใจน บ, บีปลอบใจผู้สรธาต่อล้ออยู่ในโลกดุนยาไปนี้เป้าหมายของพวกเราทุกคนนี่ยนะต้องการคือจะเผยแผ่อิสลามใช่ไหมี่เป้าหมายลึกๆที่อยู่ในใจของทุกทุกคนเอง ในบ้านเราให้ลูกให้ภรรยามีาศาสนาใช่ไหมบ้านใกล้เคียงเราไม่ทะเลาะกับบ้านใกล้เคียงเราส่งอาหารให้บอกภรรยาผัวามราระวันตอบแทนกันไปแล้วแล้วก็ถ้ามันมีปัญหาเดือดร้อนเข้ามาศัตรูด่ามั่งอะไรบ้างเนี่ยฟาสต์เบรกเนี่ย Allah สัง่งมูฮัมมัดเอ๋ยจมอดทนอันอดทนเป็นาศาสนา อดทนเป็นศาสนาครับมีรางวัลอันยิ่งใหญ่แล้วเกินฟาสบิดอดทนมีสามรายการนี่นบีสอนเองนะหนึ่งอดทนในการทำความดีเช่นมาามาที่มัสยิดต้องอดทนนะหากป่วยไม่มีปัญหาเอาโรคโควิดมา ก, ก็ระวังตัวอดทนหมดเลยครับไม่ให้บ่นเยอะด้วยแล้วก็สอนอดทนไม่ทำความชั่ว ที่สามเนี่ยอดทนเมื่อเจอหมูสีบ้าเจอความเดือดร้อนมาประสบกับเราเนี่ยทำยังไงวุยวายได้ไมั้ยอย่าวุยวายอยู่สดอดทนโอ้เนี่ยรางวัลตอบแทนจากองค์เยอะเลยเราสั่งไว้นะอินน่าวะดอโลฮิฮักกุลแท้จริงว่าดูนประวัตสัญญา ว่าอัลลอฮ์สัญญาผมอลัลลอฮ์นั้นฮักบุญเป็นความจริงอลัลลอฮ์สัญญาอะไรไว้ในกัมภีรเตอร์นั่นสัญญากับนบีมุฮัมมัดไว้มีอะไรบ้างเป็นความจริงทั้งหมดขอยกตัวอย่างนาบีสัญญาบอกว่าอลัลลอฮ์สัญญากับนบีว่าหลังจากพิชิตนครมักกะแล้วเนี่ยข้อที่หนึ่งท่านเนี่ยจะ พิชิตนครมักกะวันที่นบีอะะับดย์กจากนครมักกะไปมาดีนาเนี่ยระหว่างทางในยิบรีน ล, ลงมานะมาถามว่ามอมัดคิดถึงมักกะป่าวนบีอับดลย์บอท่านเจอฉันนะอยากจะกลับได้กลับสบายใจมะโอ้โหในยิบรีน ล, ลงมาปรอบได้นะท่านได้กลับตอนนี้ไปอยู่มาดีนาก่อน นี่สัญญาของอัลลอ์ให้ยิบรีนมากลบบอกกับนบีว่าท่านได้กลับนครมักกะแน่นบีก็รอเราจะกลับาปได้กลับในปีฮิจร้อนที่แปดนบีมายึดนครมักกะพาซาบาห์มามื่นคน1ทนเทนมืนค น, 10, 000, น, คนพี่น้องเป็นซาบาห์ที่ไม่มีใครกินเล่าสักคนหนึ่งนะขนาด ยึดนครมาการ์ได้ไม่ได้เต้นรําไม่ได้กระโดดด้วยไม่ได้ดื่มเหล้าด้วยแต่สุกคนสุญูตในมัสยิดฮารอมเต้นไปหมดเลยนี่ยวิธีการดีใจตามที่อัลลอฮ์เล่าให้พวกเราฟังให้นบีฟังมุสมินทั่วโลกก็องเอานำมาใช่เวลาดีใจดูดูแบบสุฮาบานาบีกับนบีมายึดนครมาการ์ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เต้นรำเลย มาเด้ร้องเพลงด้วยแต่ปัจจุบันนี้ที่นาที่ไหนมีกูไปยึดอิรักได้นะโอ้โหอาบานค่าแหลกเลยค่าซน ด, ดอมก่อนเป็นคนแรกไปยึดอะไรนะลิเบียได้กูฆ่าปตัตตฟีก่อนเลยแล้วก็ไปแยกน้ำมันก็นสุยโญงไห ม, มอ่่เองเจองานนี้ตอนนี้ปล่อยไปก่อนอินนาวดลฮะแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์เป็นเรื่องจริง ฟอฟ ม, มนุรีอันนักะฉะนั้นถ้าเราจะแสดงให้ท่านเห็นคืออัลล์เล่าว่าเราจะแสดงให้นบีมุฮัมมัดเห็นที่ว่าสัญญาของอัลลอ์นี่นะคุณจะได้เห็นนบีจะได้เห็นก่อนตายอ่า ฝ่าย ม, มานูดยันนัก็อัลลอฮฺจะให้นบีได้เห็นสัญญาของอลลอฮว่าเป็นจริงทั้งหมดนั้นนบีจะได้เห็นบาบัลละดีนายดูฮุมบามสิงจากสัญญาที่เราได้ให้กับท่านไว้เช่นสัญญาว่าจะจะกลับมายึดนครมากกะเห็นไหมเห็นก่อนต่า สบายใจใช่ไหมนี่อธิบายให้เราก็จะว่าโอ้เออสัญญาไว้เราบอกกับ น, นบีนะสัญญาของอัลลอ์เป็นจริงทั้งหมดฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างอัลลอ์ะจะให้นบีเห็นก่อนตายเช่นก่อนท่านนาบีจะตายมสีสองเหตุการณ์ใหญ่ๆนะหนึ่งยึดนครมักมกะอันที่สองสมคามบาดัน สงครามบะดาเนี่ยมุสลิมมีทหารประมาณสักสามร้อยกว่าคนคนมุชยิกินอปอมการนะเป็นพนะันใครแพ้คนมุชยิกินแพ้และถูกจับเป็นเชลยเจ็ดสิบคนมีลุงนบีอยู่คนหนึ่งด้วยท่านอับบาสอย่างนี้พป่นตอที่นั้นอลัลลอ์ให้เห็นไงโอ้ที่นั้นเราต้องนึกนะ ทั้งหมดนี้อัลลอฮ์บริหารจัดการแต่เพียงผู้เดียวตัวเราเองก็เหมือนกันครัครอบครัวเราต้องนึกเลยบ้านช่องบ้านเมืองโอ้เราให้เห็นบางทีมุสลิมก็แพ้แต่มุสลิมก็ชนะมีแพ้มีต้องนึกหมดเลยอ่ะนี่การบริหารจัดการของอัลลอฮ์นี่เล่มามันอับีุลบเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยครับเอาต่อมาครับพอถูกถูกจับเป็นเชล่เจ็ดสิบคน ที่ตายมีไหมมีนั่นแหละไปการลงโทษส่วนอั บ, บา้าลุลุงลุงลุงนบีเนี่ยพอมาเข้าเฝ้านาบีนบีบอกเอาเงินมาถ่ายแทนเอาเงินมาถ่ายตัวลุงบอกว่าเงินไม่มีเอาออกมาทำสงครามกับหลานนะหมดแล้วแพ้ อ, อีก นบีเล่าบอกว่าก่อนที่ลุงจะออกมาทำสงครามเนี่ยลุงเอาเงินฝากภรรยาไว้อยู่ในอยู่ในหอแล้วเก็บไว้ในห้องตอนนี้ถ้ามไม่เอาออกมาล่ะลุงถามมารู้ไดงไงคำบนรายงานหมดแล้ววะฮีลงมหาชานแล้วอท่านอนับัตยามรับอิสลามมอมัม ลุงนักมุสลามนะแต่จะบอกให้ใครรู้นะพราะนามีอัลลอฮ์รู้เรื่องในครัวคุณแล้วอ่ะคุณทําอะไรในบ้านคุณอลัลลอฮ์รู้หมดนะจะเล่าจะเล่าให้ฟังหรือไม่เล่าให้ฟังในอีเรื่องหนึ่งนะแต่นี้ก็เล่าให้นามีฟังเป็นบางเรื่องลุงยอมนะนี่นะเพราะฉะนั้นอลัลลอฮ์เนี่นะถ้าเราจะแสดงให้ท่านเห็นบางสิ่ง ที่เราได้สัญญากับพวกท่านเช่นการลงโทษจับนะครับแล้วก็แพ้สงครามอย่างนี้เป็นต้นให้น บ, บีเห็นจะได้อหมานกนเด้เพิ่มขึ้นโอ้ใช่เลยจต่อมากับเอานาตาวะฟยันากะหรือเราจะทำให้ท่านตายก่อนคือท่านน บ, บีตายก่อนแล้วสัญญาของอัลลอ์เนี่ยที่รับปากเอาไว้ก็จะมาทีหลังหลังตายก็ได้เช่น สัญดุคูลูนาฟีดีนิลาฮิัฟนบีจะได้เห็นหลังตายนะผู้คนเข้ารับนับถืออัลอิสลามเป็นหมู่มูมูมู ม, ม, มูนี่เป็นสัญญาแต่หลังจากนบีว่าฝาตไปก่อนว่าฝาดมีไหมมีเห็นแล้วสงคารามประดับชนะหลังจากนบีตายไปแล้วผู้คนจะรับอิสลามเป็นหมู่หมู่นี่คือเป้าหมาย ของอัลลอ์และเป้าหมายของนบีให้ดูแลศาสนาอิสลามหรอ Allah. สบายใจนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดและอิสลามไี่จะครองโลกใช่ไหมภาษานี่แหละทำให้หลายคนกลัวมนอนาอบูฮัสซันเขียนหนังสือดีมาดะฮสิรุลอาลัมบินฮิตตลมุสลิมนโลกที่มันวุ่นวายเนี่ยเพราะมุสลิมอ่อนแอ โลกที่วุ่นวายยูปปัจจุบันนี้นะเพราะมุสลิมอ่อนแอเพราะมุสลิมทิ้งศาสนาเดินตามยะฮูดีนี่แหละคือความอ่อนแอของที่โลกมันจะปั่นพวนอยู่เนี่ยถ้ามุสลิมปกครองนะอิชอัลลอฮ์สงครามไม่มีเด็กกำพร้าไม่มีผู้หญิงแม่ไม่ไม่มีทะเลาะกันไม่มีมิจะจัดการมุสลิมจะจัดการแบบท่านมาดูแลนคนมาการีนะเขาดูแลยังไง ทำโดยเล่าปลอดไทยหมดเลยนี่คือความดีของอิสลามนะครับอาต่อมาครับแล้วก็อะไรนะโลกอาหรับทั้งหมดนะรักอิสลามหลังจากนาบีตายใช่หรือไม่ใช่ไฟมือใครเซนารุมัสนนะไหมแถบนั้นนะรักอิสลามนี่อัลลอฮ์สัญญาว่าแต่สัญญาต่อไปอีกโลกใบนี้ รูปบ้านตมมมุสลิมอิช allah ตะกตะกัมาตะกันมาอัตอมหายฮสยครับวะละกดอัซัลนาลมิงกับลิกมินหุมมันกซนอลวะมินุมมัลัมนซุอล وَمَا كَانَ ل ِ ر َ س ُ و ل ِ ن َ ي َ ت ِ ب ِ ي َ ا ت ٍ إِلَّا ب ِ إ ِ ن ِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ و َ خ َ س ِ ر ه ُ ن َ ا ل ك َ ا ل ْ م ُ ب َ ط ِ ل ُ و ن َ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 فإذا جاء أمر الله أديا بالحق و خاسرهن لك المبطلون الحمد لله الله อายะนี้ดีมากมากเลยครับว่าแลก็อัลสลนดูสับนะเราได้ส่งรอซูนรุสุลัน เป็นภาะุพจน์นะเราได้ส่งรอซูลหลายคนบรรดาพวงพวงรอซูลทั้งหลายเนี่ยใครส่งมาอัลลอฮ์ส่งมาไม่ใช่มาเองครับต่อมาครับมิงกอบลิกก่อนหน้าท่านนาบีมุฮัมมัดในตำเซนอธิบายกับว่าบันทึกโดยอิหม่ามอห์มัดอันอบดีจารินก็อนจกุนตุยารอซูลลลอฮ ท่านอบูด่าถามท่านนาบีบอกว่าจํานวนนบีที่มาในโลกนี้เท่าไหร่จํานวนนบีที่มาในโลกนี้ที่อัลลอฮ์ส่ง ม, มาเท่าไหรนบีตอบครับหนึ่งแสนสองนสี่พันคนนบีเล่าเองนะ จำนวนเลขนะหนึน่งแสนสองมื่นสี่พันคนเอาลอสมมาสอนศาสนาให้กับชาวโลกใบนี้ก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดรวมทั้งหมดเราเมตาย่างครับเมตานขนาดนี้นะส่งคนมาส่งนาบีมาแล้วก็นาบีนี่นะเอาคนอื่นมาสอนก็ไม่ได้ต้องกลุ่มใครกลุ่มมันเดี๋ยวมีปัญหาเองยิงส่งใครมาเนะี่ยมาใจะพวกชาลาอีกเลย เรื่องที่สองอรซูลมินจาหรือกัส่วนบรรดารอซูนี่นบีนะนบีหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันคนส่วนรอซูเนี่ยตำแหน่งใหญ่กว่านาบีมีคำภีมาด้วยนะอ่านาบีเนี่ยคำภีไม่มีแต่ใช้คำภีฉบับเก่าส่วนรอซูเนี่ยมีคำภีติดมือมาด้วยนะประมาณเท่าไรสามร้อยสิบห้าคน ส1 5สบห้าคนนี่นบีเล่าเองที่อยู่ที่บันทึกในกัฟีกุรานเท่าไร่25ห้าคนพูดใหม่นะครับนบีทั้งโลกรวมแล้วหนึ่ง0พันคนส่วนรอซูนั่นส1 5สห้าคนที่บันทึกในกัฟีกุราน25สห้าคนนบีสุดท้ายคือนบีมุฮัมมัดสลุลตั แล้วตอนเวลาตายพอถามไม่ถามนบีคนอื่นนะในยุคเรานี้ถามนบีอมัดรู้จักนบีมัดปล่าคําว่ารู้จักนบีมันจะหมายถามว่าพ่อนบีชื่ออะไรเอ็งรู้จักสุนนัขนบีป่าเรื่องใหญ่มากครับหาตามสุนัขนบีทําไงนอนตามสุนนัขนบีทํำยังไงกินน้ําตามสุนัขนบีทํำยังไงจะมีเป็นต้นโอ้ฉะนั้นสุนัขนบีนัด ทิ้ไม่ได้เลยต้องเรียนอ่าคุมล่าให้ฟังมีฮะดิษวนเดินคนที่อายใช่ไหมอิมามดาวุฒบันทึกนะครับบอกว่าคนที่เลวที่สุดมีซาบะถามน บ, บีคนที่เลวที่สุดในโลกนี้นะ่ะคนประเภทไหนน บ, บีบอกว่าคนที่เลวที่สุดอลัลลอฮ์จะให้เห็นในวันเกียร์มาอ้อาอัลลอฮ์จะให้เห็นในวันเกียร์มากก็คือคนที่ อยู่บนโลกดุนยาเบนี้ผู้คนเนี่ยไม่อยากคบหน้าคนคนนี้ไม่อยากคบหน้าคนคนนี้ไม่อยากคุยกับมันนะเห็นหน้ามันหลบๆไปดีกว่าว่านั่นคือคนที่เลวที่สุดไอ้คนประเภทนี้ไม่รู้สึกตัวหรอกครับไม่รู้สึกตัวครับกินได้ไหมได้นอนได้ไหมได้มีรถขับไหมมีครับ เอาไปเลยแต่คนเกลียดทนมันในใจรูแนวมึงไม่อยากคบไม่อยากคุยกับมันคุยกับแค่นีาก็ไว้ละนั่นคือคนที่เลวที่สุดในศาสนาของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะให้เห็นในวันเกิดมาผู้คนนี้ออกห่างบนโลกดุนยาไปนี้นี่บันทึกโดย อ, อิหม่ามเอ่ออบูดาูดท่านหญิงอญไอเชียดายางงานฮันเตอร์ตนนี่มามฉะนั้น รอซูนมาแต่มาสอนคนประเภทนี้อย่างนี้เป็นต้นแล้วเอาต่อมาครับมันก่อศาสนาอะเราได้บอกเล่าเราได้แจ้งชื่อให้นบีมุฮัมมัดฟังเลาเล่าเองนะ เราได้ส่งรซูลนาในโลกนี้นี่นะครับบางกลุ่มเราได้แจ้งชื่อให้นบีพุทธมารู้ว่าชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อ น, อนี้จริงไหมจริงครับเอาต่อมาครับว่ามินหุมลำนักมัลลำนักสุสอาวรีและในหมู่พวกเขาเราไม่ได้เล่าชื่อให้พวกเขาให้นบีฟังที่บอกชื่อกับไม่ได้บอกชื่อมี้สองกลุ่ม อที่บอกชื่อในหนังกระพิร์เุาอ่านในบทชัดแจงนะยี่สิบห้าท่านแล้วก่อนหน้านี้ต่งเป็นแสนนะบอกชื่อเ่าไม่ได้บอกนี่ต้องยอมรับนี่อลัลลอฮ์เล่าให้นบีฟังสันนันเล่าสบายใจนบีก็สบายใจเอาต่อมาครับวามกะนาลิรอซูลินไม่พึงไม่ใช่หน้าที่นะแกโรซูลคนใด วะมากานาลิรอซูลิน mm hmm. ไม่พึงแกร่รอซูลคนใดที่จะ mm hmm. อายะตียาบีอัยาตินอิลละบิอินิลลาที่จะนำสัญญาณใดๆมาได้จะนำคุออาานอาลมสาญาเนี่นึของของของขอัลลอด์ทั้งหมดนบีจะนำมาไม่ได้ค mm hmm. รับมุฮัจิตยกตัวอย่างมุฮจิแต่และนบีนบีไม่เหมือนกันนะมุฮัจิ ของนบีมูฮัมหมัดนี่มากที่สุดประมาณสามรอยสามรอยมวจีดาดส่วนนบีมูซาก็มีไม่เท่าไรแต่ ท, ที่ที่เห็นก็คือไม้ไม้จะพทุทโยนกลายเป็นงูนี่มวยจีดัดทว่าวนำมาอาลัลลอ์ช่วยมอาอัลลอ์ให้มาเตือนให้รู้อย่าตะก บ, บุตรอย่าดีใจจะต้ทงลืมอลัลลอ์ไม่ใช่เนี่ยอัลล์ให้อลัลลอ์ให้อลัลลอ์ให้อลัลลอ์ให้อลัลลอ์ให้ ฉะนั้นมัจดีดานาบีสแสดงเองไม่ได้ถ้าอัลลอฮฺไม่อนุมัติเห็นอย่างกับเราเราวันนี้ก็เหมือนกันเราไม่ใช่นาบีอยู่ในยุคของขมมัดเนี่ยอัลลอฮฺให้กับเราหลายอย่างไม่ใช่มาเองนะกูแน่กูทำเอ ง, คเองใครบอกไอทําชั่วนะมาจากใครใชาตตอนทําดีมาจากมาเลกา้าที่อัลลอฮฺส่งมาเลกา้ามาอยู่กับเราตลอดเวลาเอาต่อมาครับ ฝ่ายอิสลามอัลอัมรุลลอ่อาปวมาอาอัมรุลลาาาาอฮแปลว่าการลงโทษเมื่อพระบัญชาของอัลลอฮ์มาหมาถึงการลงโทษเช่นโรคโควิดเนี่ยไม่ใช่มาเองนะครับใครส่งมาเราส่งมาแล้วก็ทำท่าจะเยอะกว่าเก่าเพราะอะไรเพราะต้องการจะเตือนคนให้เข้าหาซุนนะบีใช่หรือไม่ใช่บาไม่ให้เข้า ไม่ขับไม่ให้เข้านั่งรวมกันเยอะๆก็กไม่ไดเ้เกี่ยวอะไรก่อ น, นาศาสนาดีไงยังงี้เป็นต้นให้ใส่แมดค์เพาอย่างยิ่งมุสลิมาน ก, ก่อนถูกด่าใช่มากใส่อิโมงโอโ้โหพวกไอโมงมาแล้ววันนี้คนที่ด่าอิสลามก็ต้องเปิดนหน้ามหมดเ อ, องอย่าเปลนสิวะถ้าเองแม่จริงอย่าเปิดไปไม่รอดใช่ไห น, น ฟาอิลาจาอัลลอฮเมื่อพระบัญชาของอัลลอฮ์มาถึงอูดียาบิลฮักเตก็ถูกตัดสินด้วยความยุติธรรมอัลลอฮ์ตัดสินด้วยความเป็นธรรมไม่เข้าขัาใครเลย แต่อัลลอฮ์จะปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์จนถึงวันเกียร์มาและปกป้องนบีและปกป้องบรรดามุหมินทั้งหมดและปกป้องซอบ้านน้ำทั้งบดแต่ขนาดปกป้องเนี่ยถูกไหมมันก็ถูกบ้างถูกด่าบ้างถูกขว้างบ้างถูกไล่บ้างมีไหมมีอย่าคิดว่าถ้าปกป้องแล้วอัลลอฮ์จะไม่ให้ถูกครับอยู่บนดุนยานี้ไม่มีใครรอดจากการทดสอบจากอัลลอฮ์สุฮานอูตอแล้วก็มาครับ ว่าคอสิโรหูนาลิกาโมปฏิลูนคอสิโรแปลว่าขาทุนหูนอเลกนนาณที่นั่นทูกมาชาติมดนะครับอลัลโมปติลูนผู้ที่โกหกหมดเท็จโปกดโกหกมดเท็จขาดทุนหมดเลยครับโกหกต่ออะไรบ้างปฏิเสธอโลคอสิรอขาดทุน ต่อต้านรอสูลของอัลลอฮ์ในยุคก่อนๆนั้นขาดทุนแม้แต่ยุคนี้ต่อต้านนบีมุฮัมมัดต่อต้านสุนนะนบีขาดทุนครับแล้วก็ปฏิเสธอัลอักุรอานขาดทุนปฏิเสธสุนนะนบีขาดทุนทิ้งสุนนะนบีขาดทุนเหล่านี้จะให้เห็นจริงๆในวันเกียรมะแต่บนดุงจันทรนี้อัลลอฮ์เอาไปเลยเเอาบ้านไปเอาที่ดินไปเอาเงินไป นึกว่าตัวเองอัลลอ์รักเปล่าที่ให้มาเนี่ยเพราะความหมั่นไส้ไม่ได้ให้เพราะความรักให้แบบเราให้อาหารกับหนูอ่ะให้มันกินเดี๋ยวกูจับมันฆ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็หมดเวลาครับ